ชื่อหนังสือหลวงตาวัดป่าบ้านตาดสองรวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นพิมพ์ครั้งที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2552เรียบเรียงและพิสูจน์อักษรโดยดอกเตอร์ดาราวันเด่นอุดมและคุณสุมิตราสอนสงครามผู้ดำเนินการคุณหลวงและคณะพิมพ์แจกเป็นธรรมทานสงวนลิขสิทธิห้ามคัดลอกตัดตอนหรือนาไปพิมพ์จาหน่าย หากท่านประสงค์จะพิมพ์แจกเป็นธรรมทานโปรดติดต่อที่คุณสุทัศน์ชาญวิเศษหรือคุณหลวงสองหทับสาหปถนนพหลโยธินกมยี่สิบเจ็ดแขวงสายไหมเขตสายไหมกรุงเทพมหานครหนึ่งโทรศัพท์0 2 9 0 0 7 4 1เจหนึ่งป 0ู6 3 4 1 2ดห9สาสหนึ่งสองส